วันนี้จะบูรณาธรรมะด้านปฏิบัติสู่น้าปฏิบัติทั้งหลายท่านพราะพวกเราต่างท่านต่างคนขอมุ่งหน้ามุ่งตามาศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติธรรมะไม่มีบุคคลผู้ใดในโลกจะมีโอกาสดีเท่ากับพวกนักบวชพวกนักบวชนี่โอกาสเวลา ที่จะปฏิบัติธรรมะได้มากกว่าคารวะเพราะหน้าที่การงานด้านอื่นไม่มีธุระจิตต่างๆเป็นเรื่องชาวบ้านเขาสนับสนุนทั้งนั้นพวกเราจรึงมีโอกาสมากที่สุดในการจะปฏิบัติธรรมะด้าน จ, จิตใจถ้าหากนักงบวช บวชมาแล้วไม่ตั้งหน้าต่างตาศึกษาอัดธรรมไม่ตั้งหน้าต่างตารักษาขอวัดปฏิบัติก็ได้ชื่อว่านักบวช น, นั้นั้นบวช เ, เ, เข้ามาเสียข้าวสู่ตาตายเขาในสมชื่อว่าเป็นนักบวชนักปฏิบัติฉะนั้นทุกท่านที่อุตส่าห์พยายามสละ การบ้านเรือนเข้ามาสู่ศาสนามีหน้าที่กระพิดกระดี่ดักายใจของตนเสื่อมกักเสือผลอย่างเต็มที่นักบวชจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่โชคดีกว่าฆราวาดเขาเพราะการงานบานช่องไม่มี มีแต่ตั้งหน้าต่างตารักษากายบายจา่ายใจของตนตั้งหน้าตัางตารักษาศีลสมาธิปัญญาของตนให้จเจริญก้าวหน้าไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาเพื่อเล่นเพื่อเพลินเพือคิดหรือจิตตามเรื่องอื่นนอกจากบวชเข้ามารักษากายบ า, ย จ, าจ่ายใจเพื่อขับไล่เรื่องชั่ว ที่เกิดขึ้นจากความที่ความปรุงของนตนปกติจิตใจเมื่อไม่ได้รักษาด้วยสติปัญญามื่อยากตายแสแส่ผันไปตามตัญญาอารมณ์ทงโลกเพราะทุกคนเคยอยู่กับโลกเคยเกิดเคยตายเคยวุ่นวายกังวลกับเรื่องของโลกมาเป็นเวลา หลายพพหลายชาติฉะนั้นจิตใจของพวกเราท่านเมื่อเขามาบวชในศาสนาถึงเป็นเพศสมณะคือเป็นเพศผู้สงบแล้วต่างแต่จิตใจที่เคยไข ค, คิดเรื่องของโลกมักอยากจะมักดองอยู่ภายในทางภาษาของพระหรือทางภาษาของศาสนาเย่าหวานุใส่ดองอยู่ในจิตในใจนอนเนื่องอยู่ภายใน จิตภายในใจของตนเมื่อมาบวชไม่ได้สนใจสำราสาสานในสนใจในความภาคความเชียนในสนใจในอาจในธรรมอนุสัยเหล่านั้นย่อมพุ่งลงขึ้นจากจิตจากใจใค่เคิดไปในทางนอกเห็นว่าเป็นฆราวาสสะดวกสบายเห็นเป็นว่าราฆราวาส สนุกสนานอย่างนั้นอย่างนี้โดยเด็กที่เจรนาขี่คายขี่ท่วนฉะนั้นนักบวชที่มีโอกาสเข้ามาบวชในศาสนาได้มัญญาว่าเป็นสมณนะคือผู้สงบเราจะต้องอักสากายของเราให้สงบจากที่เหลยอตัญหาจากมานาชิฐิต่างๆปกติของร่างกายก็เป็นเครื่องมือของใจเท่านั้นนิสัย กายของเรามันมีจิเลตปัญหามานาักพิจิตรอะไรความจริงจริงเป็นเครื่องมือของใจถ้าใจสงบใจหยกดเย็นใจเป็นอดเป็นธรรมกายเราเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรจะไปกับเพื่อชั่วไปทำชั่วต่างๆนาน า, น, า น, นี่เนื่องจากเรื่องของใจโดยเฉพาะที่กายและวาจาเกิดเป็นจิเลตปัญหา เกิดได้รักษาระวังฉะนั้นพวกเราท่านที่มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติพระศาสนาจงพากันระวังรักษาแต่เบื้องต้นกายก็คือเปลือกของต้นไม้วาจาก็คือกระพี้ใจก็คือแก่นไม้นี้ทั้งแก่นทั้งกระพี่แล้วก็ทั้งเปลือกฉันใดเราก็มีใจมีวาจามีกาย เหมือนต้นไม้เหมือนกันฉะนั้นจงพากันรักษาตั้งแต่เปลือกข้างนอกนี่แหละเข้าไปเชื่อก่อนเมื่อเปลือกดีกระพีดี <c oughs> กดแกนก็ค่อยจะเกิดมีขึ้นต้นไม้ปลูกใหม่ยังไม่มีแกนจะต้องอาศัยเปลือกกระพีเชื่อก่อนต่อเมื่อนนมนานเข้าไปแก่นของต้นไม้จะเกิดขึ้นเพราะอาศัย ลำต้นแก่้าไปและเปือกกระที่หุ่มหนาเข้าแก่นกค่อยเกิดขึ้นเจริญขึ้นตามอายุ <c oughs> ของต้นไม้เหนั้นฉะนั้นพวกเราท่านมีกายมีวาจามีใจมีเปลือกมีกระที่มีแก่นจงพากัน ร, ระวังรักษาศีลสมาธิปัญญาของตน เป็นเครื่องบำรุงรักษาสายรำต้นคือแก่นของของคนได้แก่ใจให้จเจรินเติบโตขึ้นปกติ <c oughs> จิตใจถ้าหากไม่ใครคิดที่จะไรนาปล่อยเอาไว้ให้ใจปรุงคิดไปเรื่องนอกก็คือการทำลายแก่นของคนใจของคนนั้น จะฟอจะเสียเมื่อปรุงมากคิดมากไปในทางผิดจะซอแสดงออกมาทางวาจาคู่คุยกันใปในทางศิลฉานในากราในเรื่องที่ไม่เป็นอาจเป็นธรรมทำให้ตัวของเราผูกเป็นเจ้าของเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความสงบสุขจากการเป็นอยู่ของตอนแต่นั้นทุกคนจงมันพยายามระวังรักษา เรื่องกายราจารตลอดถึงใจเพราะหน้าที่การงานบ้านช่องของพวกเราไม่มีผ้านุ่งผ้านมการขบการฉันที่อยู่ที่อาศัยตลอดถึงยุกยาแก้ไขมีผู้มาถวายบำบวงรักษาถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติเป็นอัจเป็นธรรมอย่าไปกลัวจนไหวบุคคลผู้อื่นจะไม่ดูแลรักษาเขามีหูมีตา ทัวโลกอยากจะเชิดชบูชาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางนั้นอย่าไปเห็นส่วนอื่นดียิ่งกว่าการปฏิบัติตนของตนให้เป็นอัตเป็นธรรมถ้าหากพวกเรานักปฏิบัติมันพินิจพิจนารณามันใจควรศึกษาอัตธรรมอย่างนี้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษากายรายจาจใจของตน ใครเป็นพระเป็นเนนที่ดีเป็นสุปฏิปนโนอนโนยยสุสุปฏิปโนยายะสามีกิปฏิปโนจริงจังคนนั้นแหละจะไม่อดอยากยากจนจะเป็นพระที่หน้าสักระบูชาเป็นเนนที่น่ารักน่าเอ็นดูน่าเมตตาสงสารไปอยู่ในสถานที่ใดใครเห็นก็เลื่อมใสยินดีศรัทธาเพราะการสะพติปฏิบัติคาศาสนาเอาจริงเอาจัง เรื่องพาะศาสนาไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องกจจากกายจากใจของเราถึงพระพุทธเจ้าจะพูดไว้หรือมีโอวาคำสังสอนบัญญัติเอาไว้มากมายหลายหลวงขนาดไหนต่อต่างก็อยู่ที่กายที่ใจของเราทัดงทั้งหลายเท่านั้นอย่างท่านบัญญัติมัดแต่ตั้งต้นแต่สัมมาทิฏฐิ สมาสังกัปโปจนถึงสมาสมาธิก็ไม่ใช่ที่อื่นก็ที่กายที่ใจของพวกเรานี่เองมันหยัดอันอื่นออกไปก็เหมือนกันอย่างอายตนะหรือถาตขันอะไรทุกอย่างพูดแล้วออกไปจากตัวของพวกเราท่านแังนั้นผู้ที่ทินิพพิจารณากายใจจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาถูก ตามอัำำตธรรมคําั่งสอนของพระพุทธเจ้าการพิจรารณากายใจในทางธรรมดีในควรให้พิจรารณาให้เห็นเป็นอนิจจ์คือความไม่เที่ยงทุกขังคือความเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาเพื่อไม่ให้ใจของเรายึดมั่นสําคัญหมายว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามว่าหนุ่มว่าสาวไปจิตผ่อน ในส่วนเหล่านั้นพอใจในส่วนเหล่านั้นถ้าหากพวกเราท่านพิ่เจรณาตามอัตธรรมสี่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนจริงจังราคาตัญหาที่เคยกำเลิเกเสือสารในจิตในใจใส่หัวสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้แต่เมื่อพิจารณาเรื่องอนิจจังพามันตั้งมั่นถาวรค ง, งทนและมีทุกประจําถาดขันไม่ว่าเราหรือท่าน หญายชายในวานักบวเคารวะได้ชื่อว่าเป็นอนิจจงด้วยกันและเป็นทุกขังด้วยกันที่จนะเข้าใจชัดเจนเห็นชัดอย่างนั้นใจของพวกเราท่านจะไม่เกิดลาค้าตัญหาเพราะเรื่องเหล่านั้นมันเป็นอนิจจไในตั้งมัน่นม่คงทนถาวรเป็นของแรปรปรวน เป็นของนำทุกมาให้พิเจณาให้แน่นอนลงไปอย่าไปถือเอาว่ามันสวยอย่างนั้นมันสวยอย่างนี้นั่นคือสัญญาความหมายของเราถ้าพิเจณาตัวเขาไม่เห็นพิจารณาตัวเราไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังหรอว่ามันเป็นทุกขังหรือว่ามันเป็นอัตตาก่าห้พิเจณาบุคคลหรือสัตว์ที่ล่มหายตายไปมันเป็นอย่างไร แต่ก่อนมันก็เป็นคนอยู่อย่างเราเป็นสัตว์อยู่ดีๆแต่เมื่อมันตายไปแล้วทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นแต่กวนใจแต่สลายใจหรือไม่อย่างนั้นที่ใจณาคนหนุ่มคนสาวไม่เห็นคนที่ใจนาคนเฒ่าคนแก่แต่ก่อนมันก็สวยก่็งามก็น่าดูรูปร่างชาติขันของพวกเหล่านั้นไม่อย่างนั้นไม่มีใครเขาจะเอาไปเป็นสามีภรรยากันเพราะ มันในสวยในงามความเท่าความแก่ความเหี่ยวความแห้งของร่างกายเราก็พอทราบได้ทุกรายไปยมื่อ่อแม่มันเป็นอย่างไรลูกหลานของมันเกิดมาสุดท้ายตายแดนมันก็รจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีบุคคลผู้ใดที่จะไม่อนิจจังไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะเป็นสัตว์ที่ไม่อนิจจังจะต้องแปลผันเปลี่ยนแปลงแปลปวนไปตามอายุ ตามการตามเวลาให้พวกเราทุกคนพิจารณาอย่างนั้นหรือจากพิจารณาอสุขะอสุพัน์เพื่อถอนลาคะปัญหาความกำหนัดยินดีความอยากในกจิตในใจให้เบาบางออกไปด้วยการพิจารณาแยกชาดแยกขันพิจารณาให้ทีท่วนแนนอนลงไปเรื่องมนุษย์มีอะไรเป็นที่สวยที่งามที่น่าดูน่าจูบน่าชมน่าหลง ทุกสิ่งพุกอย่างในร่างกายของมนุษย์เป็นของสกปรปกโซ่โมลทางนั้นอาหารการขบฉันที่มนุษย์อยู่กินหรือขบฉันลงไปล่วนจะเป็นของเน่าของเหม็นเก็บไว้เพียงคืนเพียงวันไม่ได้จะต้องบูดต้องเน่าเพราะเป็นของตายของเสียมาแล้วเหตุนั้นธาตุฉันเขาพวกเราท่านที่ขบฉันโดยอยู่กินอย่างนั้นจึงเกิดความสกปรปกโซโค้ทุกรายไป ในวลาอะไรในตัวของมนุษย์นี่จะน้ำเหี่ยวน้ำไข่ไหลออกมานอกกายคูุกข้าพร่า น, นสบายก็ได้ชาร ะ, ส, ะสางล้างกันหรือซักซอกกันอยู่อย่างนั้นพอเดตกสกปกยิ่งน้ำมูกน้ำลายตกลงไปใไส่ภาชนะอาหารหรือที่นั่งที่นอนจะต้องล้างหรือจะจะต้องํางร ะ, ะ, อะพอมันสกรปรเราควคนทกคนมีไหมส่วนเหล่านี้ จะต้องมีด้วยกันทั้งนั้นอะไรกันในมนุษย์ที่มันสวยมันงามมันน่ารักน่าชมน่ายินดีน่าพอใจในรายเลือดว่านำ้ำมูนำ้ำเหลืองนำ้ำลายหรือน้ำมูดพูดถึงเนื้อหนังเราเหมือนกันเป็นของผีดตี่ยนเน่าเป็นของผีดในหน้าชอบน่ายินดีหนังมนุษย์ วองๆองใส่เขาขี้ออกไปทะลุออกไปใส่ภาชนะอาหารของเราอย่างหนังเท้าหรือนังมือเท่านั้นเขียนเขา่านี่เป็นหนังมนุษย์อาหารถึงจะมีรสชาติอ ร, อร่อยขนาดไหนเราจะต้องเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความไม่พอใจไม่ยอมขบฉันอยู่กินต่อไปเพราะเขียนหนังนั้นนั้เ น, น, นเป็นของมนุษย์คนทั่วไปเป็นอย่างนี้ ท่าพิจารณาการจริงจังเรื่องของมนุษย์เป็นของกปกปปกโสมมเหตนั้นการจะบวชเป็นเทียสุสามเนรอุปชายยะอาจารย์ท่านจึิงสองกนกรรมฐานคือให้อาวุธต่อลูกของท่านเพื่อปราบตามจิตใจที่ใครคิดกำนัดยินดีในจิตในใจให้เบาบางใส่เมื่อเกิดกำนัดยินดีพอใจเมื่อใดให้พิจารณา เอาอาวุธที่อุปชายะงอบให้สังหารเรื่องจิตใจที่ใครคิตจิตข้องในกิเลสตัณหาต่างๆอะไรห่ออาวุธที่อุปชัยอาจารย์ให้ก็คือเจสาโรมานขาทันตาตะโจกที่พวกเราท่านเคยรับจากอุปชายะมาเจษสาพูดถึงภาษาของไทยก็เรียกว่าผมผม ถ้าอยู่บนทีษะเราดูผิวเขินไม่ได้พิจารณากว่าที่ว่ามันสวยมันงามหลงกันยินดีกันแต่เมือ่อพิจารณากันจริงจังผมที่จะสวยงามอยู่ได้ก็ต้องอาศัยสะอาศัยล่างอาศัยวีอาศัยตกแต่งไม่อย่างนั้นผมนั้นก็ไม่น่าดูเป็นของที่ไม่สวยไม่งามอะไรยิ่งโกนออกมาหรือตัด ออกจากที่สะแล้วได้ทิ้งใส่ในน้ำที่เราเคยดื่มน้าที่มีรสชาติดีไม่มีใครที่จะกล้าดื่มเพราะเป็นของโผลกนอกจากนั้นขนเราเกาหมือนกันยิ่งเป็นขนในร่มผ้าก็ยิ่งนากเปียดมากเข้าไม่มีอะไรในตัวของเราที่จะเป็นของสวยของงาม้าเราพิจารณา อย่างนี้จิตใจที่ไปยินดีไปพอใจว่าผมมันงามอย่างนั้นขนมันงามอย่างนี้ก็ค่อยจะลดน้อยถอยไปทาพิจารจนาด้วยอา ด, ด้วยธรรมนี่จึงได้ชื่อว่าอาวุธ <c oughs> ที่อุปชายยะอาจารย์ให้ในสอนก่อนบวชเป็นสามนเณรหรือเป็นพิกซุกใหอาวุธเยอก่อนเล็บเล่าเราเห็นว่ามันสวยมันงามพขตกข้อแตงเขาตัด ถ้าหากไมรักษาไน่ขูดเกาไม่ตัดเล็บนั้นจะเป็นอย่างไรเราเคยเห็นไหมเล็บควร ท, ที่ไม่ได้รักษาควรที่ไม่ได้ดูแลเลืองของเล็บตนมันดํามันสกปรกขนาดไหนนอกจากนั้นถ้ามันหลุดมันร่วงลงใส่อาหารแล้วเราคอใจไหมนี่ก็แสดงว่าเล็บก็เป็นของสกปรกเหมือนกัน พอเล็บจะงอกได้ก็อาศัยน้ำเลือดน้ำเหลืองอาศัยทองสปปกปรกเหมือนกันกระดิ่ที่เกิดจากหลุมฐานหรือตากศพพออาศัยฝุ่นอาศัยปุ๋ยที่เน่าที่เหม็นนั่นเองถึงข่อยงอกงามขึ้นมาฉันใดเล็บหรือขนผมของเราก้อฉันนั้นไม่แปกอะไรกันที่มันงอกขึ้นได้ก็เพราะอาศัยน้ำ เลือดน้ำเหลืองอาศัยทองปกปกสโคกภายในกายของเรานอกจากนั้นฟันก็เหมือนกันฟันมันงามอย่างนั้นฟันมันงามอย่างนี้นีนนนน่คือเราพิจรารณาในทีถทวนดิบดีถ้าพิจารณากันโวยอาจโดยทำจริงจังฟันมันจะสวยจะ ง, งามที่ไหนกันฟันทุกคนได้สําระสสารกันอยู่เรื่อยๆในว่ากลางวันไในว่าตอนเช้าได้ําลระอยู่ ทางหางไปชำระเียเลยส่อยเอาไว้เหมือนฟันกับเรื่องอื่นๆในเกี่ยวข้องในการชำระสาสาัมที่ฟันมูลฟันมันจะมีมากเพราะอ้าปากขึ้นเท่านั้นแหละมแมลงวันจะต้องบินเป็นเกี่ยวทีเดียวเพราะเหตุใดเพราะมันเน่ามันเหนม็ น, มนที่ฟันยิ่งหลลนออกมาถูกภาชณะอาหารถูกเครื่องดื่มเครื่องควบฉัน จะพอใจกันไหมท่ารที่เราถือว่าสวยว่างามมันเป็นอย่างนั้นหนังกว่าอย่างที่อธิบายมาไม่ใช่หรของสวยของงามอะไรนี่คืออาวุธที่อุปชาอาจารย์มอบให้นี่พี่เจริญนะหากผู้ใดมันเอาอาวุธต่อสู้กับวิเลตปัญหาเมื่อเราเห็นผ่าน <c oughs> ตาผ่านหูแล้วดูว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้ให้แยกแยะ พิจารณาเอาธรรมะที่อุปชาอาจารย์หรืออาวุธที่ประชาอาจารย์ให้ต่อสู้ทีนี้พิจารณาตามธรรมะให้เห็นตามเป็นจริงอย่าอคติอยา่อยาไปถือว่าอันนั้นมันดีอันนี้มันสวยให้พิจารณาตามความเป็นจริงของมันจิตใจของพวกเราท่านจะสงบจิตใจของพวกเราท่านจะสบาย <habr> นี่คือการพิจารณาเรื่องสังขารร่างกายตามความเป็นจริงของมันนอกจากนั้น การบวชที่จะเป็นผู้ดีผู้ดีได้ก็จะต้องมีข้อวัดปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติของนักบวชท่านก็กล่าวเอาไว้หลายสิ่งหลายอย่างจะต้องปฏิบัติรักษาไม่ว่าข้อวัดปฏิบัติส่วนใดส่วนกลางหรือส่วนตัวส่วนกลางหมายถึงรวมหมู่คณะเช่นตัดกวดหรือ จากนั้นนี่เป็นข้อวัดส่วนกลางซึ่งพวกเราจะต้องร่วมกันทําส่วนตัวก็คือการเดินจงกรมภาวนาราักษาเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยไม่สปกปรกโสมนี่คือข้อวัดส่วนตัวนอกจากนั้นส่วนตัวข้อแม่อีกก็คือรักษาร่างกายของตนเป็นเล็บก็ไม่ปล่อยให้มันยาวผมหนวดก็ไม่ปล่อยให้มันยาวมันเท่าเกินเจ็บเกินผล รักษาตนของตนให้เป็นหน้าดูหน้าบูชาของชาวโลกนักบวชต้องมีข้อวัดปฏิบัติข้อมูลบริบูรณ์แล้วที่นี้พิจรารณาอวัยวะร่างกายกำหนดจิตให้อยู่อย่าให้ปล่อยไปตามกิเลสปัญหาผู้นั้นแหละจะได้เป็นลูกศิษย์ของพระศาสดาเือจิตที่เคยคิดเคยปรุงเคยฝุ่ง แต่ตามสัญญาอารมณ์ก็จะสงบระงับดับเข้าจิตที่สงบระงับลงเป็นสมาธิมีความสุขความสบายเบากายเบาใจจะนั่งเทไรก็นั่งได้จะพิจารณาอะไรก็แยกขายเพราะอานาจของจิตสงบเราจะเห็นความสุขของความสงบของจิตเนื่องจากการปสอบติปฏิบัติเนื่องจากการเอาใจใส่ในข้อวัดปฏิบัติต่างๆ หากเราไม่มีขันติความอดทนไม่มีสติการระวังรักษากายวายจาไม่มีปัญญาแน้สอนตนของตนจะบวชอยู่กี่ปีกี่พัรษาจนตลอดวันตายก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะแยกคายในจิตในใจจะมีเวลาประสบพบเห็นความสุขจากธรรมะได้ฉะนั้นทุกท่านที่อุตส่าห์พยายามเข้ามาบวชในศาสนาจงระวังรักษา ต้องตั้งหน้าตั้งตาจะ ท, ทําบําเพ็ญคุณงามความดีอย่าเป็นคนเหยียดคร้านมากกลับมักนอนมากเล่นมักเพินคนที่มากกลับมากนอนมากเล่นมากเพินนั้นคนนั้นแหละจะเป็นคนทุกข์คนจนในทางอัดทางทำจิตใจจะเดือดร้อนวุ่นวายได้พูดได้คุยได้เล่นได้เพลินเข้าใจว่ามันสนุกสนานมันดิบมันดีแต่ที่ไหนได้จิตใจ ไม่สะดวกไม่สบายไม่มีผู้คุยก็เกิดเดือดร้อนฉะนั้นจงระวังรักษาอย่าเป็นคนแบบนั้นเราบวชเข้ามาหาความสงบสงบัดบวชเข้ามาปฏิบัติภาศาสนาปฏิบัติกายบายจาใจของคนเพื่ค้นไปจากความทุกข์ยากลำบากต่างๆเราจะต้องเอาใจใส่หมันที่นิพิจนาหมันกำหนดระวังจิตระวังใจ คนที่ยังไม่มีความสงบภายในใจกวรีดอุตส่าห์พยายามบริกรรมเพื่อจิตของตนให้ตั้งมัน่นจะบริกรรมพุทโธ ท, ทำโมสังโฆหรือกำหนดลมหายใจก็ได้ให้ผูกจิตผูกใจว่าคำบริกรรมของตนหรือการกำหนดใจของตนนี้เป็นทางที่ดีที่ดีเป็นทางที่เลิศที่ไปเสดมีผู้ เคยการทำบำเพนญเห็นผลมาแล้วจำนวนมากส่วนอื่นที่เคยปล่อยเสื่อนท้าไปตามสัญญาอารมณ์นั้นเป็นทางที่เสียหายไม่มีรายได้เป็นทางที่ทำตัวของตัวให้เดือดร้อนเราผูกกิตผูกใจเชื่อมัน่นว่าทำบริกรรมของตนหรือการกำหนดลมหายใจของตนนี้จะนำความดีคือมัดผลมาให้อารมณ์สัญญาส่วนอื่นจะเป็นหมื่นเป็นแสน ผ่านมาเราอย่าไปติดตามแล้วต้องกาหนดอยู่ที่ลมหายใจหรือกาหนดอยู่ที่คาบริกรรมของตนจนจิตใจของตนนั้นได้รับความสงบความสงบเป็นอย่างไรคนที่ยังไม่เคยสงบ ก, ก็ไม่รู้จักต้องทำเที่ยก่อนเหมือนกันกับอาหารหวานคาวต่างๆถ้าหากเราไม่ได้ริมไม่ได้กิน เขาพูดว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่เชื่อเขาหรือเชื่อก็ไม่ถึงใจยิ่งเป็นอาหารหรือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคบเคยสันเชื่อเลยก็ยิ่งไม่เข้าใจว่ามันเป็นอย่างไรความสงบคลองใจแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เราไม่เคยมีเคยเป็นเราก็ไม่เชื่อไม่เข้าใจแต่เมื่อเราทำด้วยความเชื่อความเรื่มใสด้วยความยินดีความพอใจจริงๆ เราจะเห็นขึ้นว่าความสงบมันเป็นอย่างนี้พรูพใทธเจ้าจึงชมเชยว่าเป็นของดีของ ด, องดีความสุขส่วนใดในโลกจะเหมือนความสงบของจิตของใจไม่มีเราเห็นแต่จากแค่ใจอย่างนั้นเราก็ยินดีพอใจในการแตะเพื่อปฏิบัติในการกำหนดในการกระทัในการบำเพ็ญไม่เกียจคร้านมีความขยันหมั่นเพียรอยู่ทุกวันทุกเวลา เห็นความสงบเพียงแค่นี้ก็ยังมีความสุขขนาดนี้ลดของความสุขในอาดในธรรมเป็นอย่างนี้เราได้ดื่มได้ริมแล้วเรื่องลดของความสุขของธรรมเราเชื่อมั่นว่าเราปฏิบัติยิ่งกว่านี้ทำจริงกว่านี้มากกว่านี้ความดีความดีความสุขความสงบความละความวางความถอดความถอนของจิตของใจจะเกิดจะมีขึ้นจะเห็นจะเด่นยิ่งกว่านี้ความสุขอันเปเสริพิเศษยิ่งกว่านี้ยังมีอยู่ นี่ใช่แบบเพียงความสุขเพียงแค่นี้เมื่อเราเชื่อเราเห็นเราเป็นในจิตในใจของเราอย่างนี้ก็ไม่มีการบังคับบัญชาไม่มีการคิดว่าครู อ, อาจารย์หรือท่านผู้อื่นจะบังคับบัญชาเราเราจึงจะทําถ้าหมายทําก่็ละอายคนอื่นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเราเชื่อมั่นเราเห็นเป็นจริงในตัวของเราการงานอนอื่นเกิดขึ้น ไม่ได้แต่ทำบำเพ็ญตามวาระตามหน้าที่ของเราเกิดขัดข้องในจิตในใจเพราะเหตุใดเพราะความสุขที่เราเคยได้เคยเห็นเคยเป็นอยู่ในจิตในใจมันไม่ได้ทําไม่ได้บาเพ็ญเป็นเม็ดเป็นหนวดฉะนั้นผู้ที่เห็นอาจเห็นทําในจิตในใจท่านจึงไม่ค่อยก่อสร้างไม่ค่อยทาการงานด้านอื่นตั้งหน้าต่างตาบําเพ็ญภาวนาโดยถ่ายเดียวก็มีความสุขอันเลิศแต่สด แต่บางท่านบางคนมักจะเข้าใจว่าคนที่หลับหูหลับตาภาวนาไม่เป็นสารประโยชน์อะไรแกโลกสู้สร้างวัตถุโบทเจดีวิหารต่างๆไม่ได้เพราะชาวโลกจะได้ถึงพาอาศัยคนรุ่นใหม่รุ่นหลังจะได้เห็นเป็นตัวอย่างไม่เป็นอย่างนั้นความจริงท้านสร้างจิตสร้างใจของเราได้ดีวิเศษพระพุทธเจ้าสร้างจิตสร้างใจของท่านได้ ก็เป็นผลเป็นประโยชน์มากระทั่งทุกวันนี้ผู้ที่สร้างวัตถุในสมัยนั้นวัตถุผ้พังเสียหายไปแล้วแต่ส่วนธรรมะที่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นจากการภาวนายังคงเส็นคงวาอยู่ผู่คนอประชาชนยังได้ศึกษายังได้ปฏิบัติตาม